ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้กล่าวในเรื่องโพธิชาดกซึ่งเป็นชาดกว่าด้วยคุณลักษณะของผู้นำคือจากจุดจ้อยที่สุดไปหาจุดใหญ่ที่สุดมีข้อความอันเป็นเบื้องต้นว่า คราวหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศต ว, วันพวกปิจิตทั้งหลายก็นำเรื่องที่พระพุทธเจ้าย่ำยีประรับประวาดตลอดถึงปราบปรามตรมานคนทั้งหลายให้ลาพย์ในหลายเรื่องด้วยกัน โดยท่านมองเห็นว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์คนซึ่งไม่มีใครปราบปรามได้แต่พระพุทธเจ้าทรงปราบปรามลงได้โดยไม่ต้องใช้อำนาจอาจยาแต่ประการใดพระพุทธเจ้าได้เสร็จเสด็จมาสู่ที่ประชุมของท่านเหล่านั้นสอบถามเมื่อทราบความแล้วก็รับสั่งว่าอันที่จริงแล้วเราได้เคยปราบปราม บาทะของคนเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติปางก่อนก็เคยทำสำเร็จมาแล้วพิสูนทั้งหลายก็กราบทูลให้ทรงแสดงเรื่องที่เป็นอดีตได้ทรงนำเรื่องมหาพทโพธิชาดกขึ้นมาแสดงเผยใจความว่าในอดีตการนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์ได้บังเกิดในสกุลพรหมามในกรุงพาราณสีมีทรัพย์สมบัติมากเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่แต่ก็เกิดเหนื่อยหน่ายในการครองชีวิตแบบคาบาะจึงได้ออกประบวช์เป็นนักบวชประเภทหนึ่งที่เรียกว่าปริพาชก ต่อมาพระเจ้ากรุงพาราณสีได้พบเห็นท่านปริภาโชกนั้นก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสเชิญให้ไปฉันในนิเวศของตนและจากการสนทนากันจนมีความคุ้นเคยประชาชก็มีความศรัทธาเลื่อมใสามากยิ่งขึ้นในที่สุดก็รับสั่งให้สร้างบรรณศาลาขึ้นภายในราชุทยาน โดยรัตนาให้ปริพาชคอยู่ประจำในที่นั่นแต่ท่านเองก็อุปถักต์บำรุงไปมาหาสู่เป็นประจำปริพาชคก็ได้ให้โอวาดแนะนำสั่งสอนก็ออนตธรรมแก่พระราชาแต่ก็มีปัญหาอยู่ประการหนึ่งคือพระราชานั้นมีอามาตผู้ใหญ่ ซึ่งรับผิดชอบแล้วก็ห้อมล้อมพระองค์อยู่ห้าคนด้วยกันแต่ละคนนั้นก็ไปกันคนละทางคือเป็นนักคิดนักประจาไปคนละด้านคนแรกนั้นท่านเรียกว่าเป็นผู้กะเหตุกะวาชีคือมีปกติปฏิเสธเหตุทั้งหมด อาจจะเป็นเหตุแห่งความดีหรือเหตุแห่งความชั่วก็ตามาว่าถือว่าคนเราจะบริสุทธิ์หลังจากผ่านการเดินบ่ายตายเกิดอยู่ในระยะหนึ่งโดยไม่ต้องทําอะไรก็บริสุทธิ์เองในความคิดเหล่านี้แท้จริงก็แพร่หลายมาโดยลําดับจนถึงยุคพุทธสมัยแต่แม้ในปัจจุบันก็ยังมีมีอยู่ในประเทศอินเดีย คือถือว่าคนเราแต่และคนนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตรนี่แหละแต่จะบริสุทธิ์ด้วยตัวเองไม่มีอำนาจเหตุปัจจัยทั้งทั้งภายในภายนอกคือไม่มีทั้งการช่วยเหลือของบุคคลอื่นและทั้งความเพียรพยายามของตัวเองที่จะทำให้ใครบริสุทธิ์มันวิสุทธิ์ของมันเอง คราวนี้ท่านใช้คำอีกอย่างหนึ่งว่าสังสารสุธิคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่พักหนึ่งแล้วจะเข้าสู่ความบริสุทธิ์เมื่อท่านมีความคิดความเห็นอย่างนั้นโกวาดแนะนำสั่งสอนประชาชนในแนวนั้นประชาชนก็เกาะกลุ่มกันมาในแนวนั้นอีกพวกหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าอิสระกรณวาจี คือมีปกติกล่าวว่าโลกและสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมีพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างสิ่งเหล่านั้นเพราคนทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นการประจบอวใจเทพเจ้าผู้สร้างและขอมนาจการโดนบันดาลจากเทพเจ้าผู้สร้างคนเราจะได้ดีมีสุขอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการบงการของพระเจ้า การที่คนเกิดมาจนก็ดีเป็นชาวนาชาวสวนเป็นกรรมกรยากไร้โรคไัยไข้เจ็บเป็นต้นก็ขึ้นอยู่กับองค์การของพระเจ้าทั้งหมดก็เสร็จแล้วแต่สุดแล้วแต่พระเจ้าจะดนบนนันดาลคนไม่สามารถจะทําความดีให้ได้ดีได้ถ้าไม่เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าหรือถ้าหาว่าเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแม้จะทําความชั่วยอย่างไรก็ไม่จําเป็นจะต้องรับความเดือดร้อนเพราะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า ท่านผูน้นี้นอกจากจะคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ยังไปแนะนําสั่งสอนคนอื่นเขาด้วยเพราะฉะนั้นคนกลุ่มหนึ่งคือราษฎรในเมืองนั้นอีกกลุ่มหนึ่งก็เกาะกลุ่มกันไปในสายนี้เป็นลักษณะยอมจำนนจังหนึ่งคือถือว่าพระเจ้าท่านให้เรามาเป็นอย่างนี้เองอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าต้องพยายามประจบประแจงเอาใจพระเจ้า เพื่อจะได้การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็แล้วแต่ใครจะคิดกันอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าปุเพกะตะวาทีคือถือว่าผลต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลแต่ละคนนั้นมาเป็นการบงการมาจากอดีต ด้วยผลของการกระทําในอดีตของตนบ้างหรือด้วยการบงการของพระพรหมเป็นต้นบ้างแต่วความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนนั้นไม่ใช่เกิดมาจากเหตุปัจจุบันแต่เกิดขึ้นมาจากการโดนบันดาลในอดีตตอนเหล่านี้ก็สั่งสอนประชาชนไปในแนวนั้นคนก็เกาะกลุ่มกันอีกแนวหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่า อุเฉทวาทีคือปฏิเสธหมดทั้งเหตุทั้งผลความดีความชั่วด้วยประการทั้งปวงคือถือว่าไม่มีอะไรการบัญญัติข้อประพฤติปฏิบัติความดีนั่นเป็นเรื่องของคนโ ง, ง่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของคนฉลาดที่จะหลอกคนโง่งแต่นั้นเองที่จริงชีวิตของเรามันก็จบลงที่เชิงตะ ก, กรนโดยใช้สำน ว, นวนว่ามีขี้เถ้าเป็นที่สุดคือเหลือแต่ขี้เถ้าต่อไปขี้เถ้ามันก็ไม่เหลือ คนเรามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นแล้วก็จบสิ้นการบาป บ, บุญก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีอะไรความดีความชั่วก็ไม่มีอะไ ร, ระโฆษนาประชาสัมพันธ์สั่งสอนไปคนก็เกาะกลุ่มกันอีกพวกหนึ่งอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเรียกว่าขัตวาทีคือมีความคิดเห็นในลักษณะที่รุนแรง ว่าบุคคลจะนั่งนอนภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดก็ตามถ้าจะต้องการผลประโยชน์จากต้นไม้นั้นและไม่ต้องคิดอะไรมากก็ขุดรากถอนโคนกันได้เลยแต่ถ้าต้องการผลประโยชน์เพื่อตัวเองแล้วแม้แม่แต่พ่อแม่ก็ฆ่าได้ได้มีบาป ก, กรรมอะไรฆ่าลูกฆ่าเต้าตัวเองก็ได้แต่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองก็ให้ทนุถนอมผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้ คนกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่คนอามาตคนนี้ก็สั่งสอนคนให้เชื่อตามปฏิบัติตามคล้อยตามไปอีกแนวหนึ่งก็ตกลงออกมาเป็นห้าแนวมันก็กลายเป็นเบีย้ยววแตกความคิดประชาชนก็สับสนไปหมดเลยไม่รู้จะเชื่อใครดีต่างคนต่างก็ใหญ่โตเป็นอมาตของพระราชาทั้งนั้นท่านปริพาชกหรือเราเรียกง่ายๆว่าพระโพธิสัตว์ในคราวนั้น ท่านก็ไม่ได้ข้องแวะอะไรกับเขาก็อยู่ในเพศของนักบวชเป็นปริภาชคพยายามที่จะอวาตแนะนำสั่งสอนราชาก็อยาให้เป๋ไปอีกคนหนึ่งวราษดรมก็เป๋มากไปแล้วแต่ว่ามารเหล่านั้นมีหน้าที่ในการวินิจฉัยอธิคดีภายในบ้านในเมือง ท่านจังหลายจะเห็นว่าแต่ละคนนั้นไม่มีฐานคือความเชื่อในบาปบุญคุณโทษอะไรอยู่เลยไม้จะออกมาทั้งห้าแนวก็ตามเพราะฉะนั้นจึงต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของตนกันอย่างเต็มที่อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์เพื่อตนแล้วกว็พร้อมที่จะทําความผิดคือพร้อมที่จะเอาคนผิดให้เป็นคนถูกคนถูกให้เป็นคนผิดได้ถ้าแกได้ประโยชน์ในสุดด่านก็กรเดือดร้อน วันหนึ่งในขณะที่พระโพธิสัตว์หรือปริภาชกท่านเดินผ่านมานั้นพวกกมารเขาก็วินิจฉัยคดีเอาเจ้าของให้เป็นผู้แพ้เอาคนขี้ตู่ให้เป็นผู้ชนะเจ้าของก็เดินร่ำร้องมาร้องห่มร้องไห้เสียใจมาถึงก็มาเรียนให้ปริภาชกทราบว่าทอนนั้นคุ้นเคยกับพระราชา ท่านช่วยเหลือเฉพาะประชาแต่ท่านไม่นึกถึงราษฎรอีกเป็นจำนวนมากพอเวลานี้ราษฎรก็เดือดร้อนมากเกินถูกกมาทั้งห้าคนเบียดเบียนกับเจ้าเองเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติแท้ๆถูกท่านตัดสินให้เอาเข้าของให้แก่คนอื่นไปได้ท่านไม่ช่วยรักษาความยุติธรรมให้แก่ราษฎรน่าจะทํำยังไงปฏิภาชกเองก็เกิดสงสารขึ้นมา ต่าตั้งที่ตัวเองก็ไม่มีอำนาจอะไรในตอนนั้นก็เข้าไปที่โรงวินิจฉายเรียกคนกราบเข้าไปพิจารณาสอบถามซักถามกันใหม่และในที่สุดก็ตัดสินถูกต้องเป็นยุติธรรมเจ้าของเจ้าของก็เป็นเจ้าของคนคี่ตูก็เป็นคนคิดตูก็ถูกตำหนิลงโทษไปประชาชนซึ่งรู้เห็นเป็นพยานก็ใจโรโยโฮร้องกันเป็นการใ่ชื่นชมยินดี ว่ามีเทวดามาโปรดมีผู้ประสิทธิประสาทความยุติธรรมให้แล้วต่อไปเราก็คงจะอยู่ดีมีสุขกันไอเอสียงเหล่านี้ก็ได้ยินไปถึงพระราชวังเพราะอยู่ใกล้กันประราชาในทอดพระเนตรดูทางช่องพระแกรเห็นเดชการเช่นนั้นเมื่อท่านดาเมื่อท่านปริพาชกเข้าไปภายในวังก็เรียนถามพอทราบความเช่นนั้นแล้ว แล้วก็ทราบความจากราษฎรแต่ส่งคนไปสอบถามก็ได้ความเหมือนกันก็มาขอร้องให้พระโพธิสัตว์ได้รับหน้าที่เป็นอํามาตะผู้วินิจฉัยคดีพระโพธิสัตว์นั้นท่านเป็นปริภาชกนะเป็นนักบวชจะเป็นผู้พากษาก็รู้สึกยังไงอยู่ท่านก็ไม่รับบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของนักบวชแต่ประชาชนก็พยายามอ้อนบอนบ้างราษฎรขอร้องบ้าง ในที่สุดก็เห็นแก่ประชาชนและราษฎรถ้านก็ทําหน้าที่วินิจฉัยการวินิจฉัยคดีก็เป็นไปโดยธรรมยุติด้วยธรรมคนผิดก็รับความผิดไปคนถูกก็ถูกไปบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขราษฎรที่เคยมีเรื่องมีราวแล้วไม่ต้องการจะนําเรื่องมาสู่โรงศาลเพราะถึงมามาอย่างไงทําไม่ให้เงินแก่พวกนี้นก็แพ้อยู่ดี ที่ไม่แจ้งความไม่บอกเรื่องราวอะไรนี่มีเยะอะเกินความรู้สึกว่าจะขึ้นโรงขึ้นศาลก็เท่านั้นไม่มีความยุติธรรมอะไรที่ตนจะได้รับเลยไม่ยอมมาจะ้เลยแต่พอพระโพธิสัตว์ไปวินิจฉัยค ด, ดีได้ดีเช่นนั้นคนก็เริ่มมีเรื่องมีราวมาฟ้องร้องมาร้องเรียนเพื่อท่านช่วยวินิจฉัยตัดสินให้ท่านก็วินิจฉัยให้ วันแต่ละวันแต่ละวันเวลาพระโพธิสัตว์กลับมาสู่โรงวินิจฉัยนั้นคนก็ล้อมคือเดินตามหลังมาเดินตามหลังนั้นเดินมาแจ้งความเท่านั้นเองเพราะว่าก็เป็นความหวังของเขาออามาทั้งห้ากดขาดลาบผลผลประโยชน์ที่ตนจะต้องได้จะเคยได้เคยถึงเคยมีก็หมดไปสิ้นไป ก็ไม่รู้จะระบายโทสะลงที่ไหนก็ไปแปะลงที่ประโพธิสัตว์เพราะตัวการสําคัญก็อยู่ที่ประโพธิสัตว์นี่เองแากว่าประโพธิสัตว์ไม่ไปทําหน้าที่วินิจฉัยคดีเะเองพวกตัวก็คงจะได้ผลประโยชน์จุ่เหมือนเดิมคิดไปคิดมาก็วางแผนที่จะทําให้พระราชานั้นแตกแยกจากพระโพธิสัตว์ตอนนั้นก็อยู่ร่วมกันมาพระราชากับประโพธิสัตว์นั้นอยู่กันมาถึงปีที่12 13แล้วนะ คุณเคยกันเรียกว่าเป็นกันเองก็เห็นกันเข้าใจกันพอสมควรทีเดียวแต่หมาดเหล่านี้เขาก็เก่งเหมือนกันเขาก็บอกว่าเวลาเนี้ยท่านปริพาชค ก, กำมังท่านโพชิ ป, ปริพาชคเนี้ยกำมังวางแผนจะยึดราชบัลลังก์ต้องการเป็นพระราชาเสียเองเพระพครั้งแรกพระราชาท่านก็ไม่เชื่อ ท่านบอกว่าฉันอยู่ร่วมกับท่านปริพาชกมาเป็นเวลานานแล้วก็ไม่เคยเห็นอะไรปกพร่องของท่านที่จะทําให้ท่านกระทําผิดในลักษณะนั้นพื่อมาก็ปรึกษาวางแผนกันจะกุเรื่องอย่างไรดีในที่สุดก็ตกลงว่ามากราทูลพระราชาว่าถ้าพระองค์ไม่เชื่อก็ลองทดลองดูกันแล้วกันาเวลาพระโพธิสัตว์ท่านมาเนี่ย เวลาปริภาชคมานั้นจะมีคนบริวารห้อมล้อมมาเป็นนั้นมากคือแสดงว่ามีกำลังคนกำลังอาวุธพร้อมที่จะยึดราชบัลลังก์ได้ทุกวันประชาทอดพระเนตรเห็นราชฎรที่ตามพระโพธิสัตว์มาเพื่อแจ้งความนั้นก็คิดคิดว่าเป็นบริวารหรือเป็นทหารของพระโพธิสัตว์ที่เตรียมไว้เพื่อจะยึดราชบัลลังก์ก็ชักจะเห็นตามคลอยตาม ก็ปรึกษาอาตมาตั้งห้าคนอาตมาตั้งห้าก็บอกว่ามันต้องฆ่าต้องฆ่าทิ้งเฉยพระโพธิ์ตอนแรกพระราชาก็ชักจะไม่เห็นด้วยเพราะไม่ค่อยจะแน่ใจและในที่สุดก็ถูกการพูดจาหวานล้อมให้เหตุผลชี้แจงโดยที่ีที่เห็นผิด คือบอกว่าคนเราถ้าเพื่อรักษาชีวิตจะแม้ลูกตัวเองก็ฆ่าได้ความคิดนี้แพร่หลายกันพอสมควรในที่สุดก็ตกลงสั่งให้ฆ่าให้อมาต้าคนรับหน้าที่ฆ่าโดยแอบฆ่าตอนที่จะเข้าเฝ้าแต่พอสั่งไปแล้วก็ น, นึกว่าพรุ่งนี้ปริภาชคจะถูกฆ่าก็เกิดคิดทบทวนย้อนหน้าย้อนหลังดูเอ๊ะชักจะไม่ได้การ ไอความผิดต่างๆของปริพาชกที่มีคนพูดนั้นก็มีแต่ข่าวลือแต่นั้นแต่เราเองยังไม่เคยเห็นสักอย่างหนึ่งจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นี่ก็คิดสับสนขึ้นมาพระมเหสีเห็นพระราชาไม่รับรับสั่งอะไรเลยก็เข้ามากราบทูลถามพระราชาก็เล่าข้อความทั้งปวงให้ฟังพระมเหสีตรงนี้ก็ไปกับเขาด้วย คือชักเชื่อตามความเห็นของปุโรหิตบอกว่าถ้าเป็นอันตรายแก่ราชสมบัติก็จะเป็นจะต้องฆ่าแม้แต่ลูกของเราเราก็ต้องฆ่าเพื่อจะรักษาตัวเราเอาไว้ให้ไดไ้เห็นว่าความเห็นก็ชักจะเป็นมิจาทิฐิเหมือนกา ม, มาตรหล่านั้นเหมือนกันแต่พอดีก็มีสุ น, นัขตัวหนึ่งเป็นสีเหลืองซึ่งคุ้นเคยกับพระโพธิสัตว์รักพระโพธิสัตว์ เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นแกก็ไปนอนขวางประตูที่พระโพธิสัตว์จะเข้าไปพอพระโพธิสัตว์เข้ามาก็เข่าหอนด้วยแบบสุนัขนัน่นแหละเป็นธรรองห้ามไม่ให้เข้าแต่พระโพธิสัตว์นั้นได้ผ่านการปฏิบัติชั้นสูงมาจนรู้เสียงสุนัข ก, ก็เข้าใจเหตุการณ์แล้วท่านก็กลับกลับไปถึงก็หยิบบริขารสําหรับดาบที่สำหรบปริพาชกเท่าที่มีก็เตรียมตัวที่จะไป ประชาชนนั้นมองดูเหตุการณ์ตลอดพอพระโพธิสัตว์กลับไปท่านก็คิดใหม่ทีนี้ว่าถ้าพระโพธิสัตว์ซ่องสมคนจริงๆ จ, จะต้องยกทหารมาแน่วันนี้แต่ถ้าไม่ซ่องสมคนจริงๆก็คงจะไปเฉพาะตัวพอมองไปเห็นพระโพธิสัตวเตรียมไปเฉพาะตัวกบบริขารก็รู้สึกว่าผิดท่าแล้ว ก็ไปหาพระโพธิสัตว์สอบถามว่าจะไปไหนพระโพธิสัตว์ก็เล่าให้ฟังท่านก็ขอร้องว่าอย่าไปเลยพระโพธิสัตว์ก็ชี้แจงให้ฟังว่าท่านมาอยู่นี่นานแล้วแต่ว่าก็ไม่เคยได้ยินสุนัขสีเหลืองมันเห่าเวลา น, นี้สุนัขสีเหลืองก็เห่า ส่วนจะเฮ่ายังไงนั้นท่านก็ไม่บอกพอจะเป็นภัยแก่สุนักอีกแลก้วก็ยีกประการหนึ่งคือก่อนจากนั้นก่อนที่จะฆ่าเนี่ยเขาจะหาวิธีไล่ก่อนเต็นว่าให้พระโพธิสัตว์เคยนั่งบนแท่นที่ปูราดอาสนะอย่างดีก็ อ, อาสนะออกเสียพระโพธิสัตว์ก็รู้ว่าเนี่ยแสดงว่าศรัทธามันอ่อนลงแล้วพอ ร, รุ่งขึ้นเช้าก็ให้อาหารที่ลดลดลงมา พออีกวันหนึ่งก็เอาอาหารคลุกข้าวมาให้พออีกวันหนึ่งก็ให้รับอาหารที่ประตรูพออีกวันหนึ่งก็เอาให้ให้ให้เอาข้าวคลุกให้คล้ายๆก็ให้แมวกินแล้วเอาไปส่งให้พระวจ ส, ก, วสวก็รู้นะว่าประชาชนก็คงจะถูกยุ่ยุ่งส่งเสริมให้เกลียดชงังท่านแต่ก็ไม่พร้อมที่จะไปก็ราคิดอนุเคราะห์แล้วต้องการจะพิสูจน์อะไรสักอย่าง เพื่อให้พระราชาได้กลับเนื้อกลับตัวเสียแต่ในสุดไปถึงจุดนั้นพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังหมดเพราความเปลี่ยนแปลงภายในพระทัยของพระองค์นั้นอัตมาภาพรู้อย่างนั้นอย่างนั้นงั้นก็เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยแล้วเสร็จแล้วท่านก็มาสรุปว่ามันก็ถึงคราวไปเขาต้องไปท่านกล่าวว่ามิตรนั้นจะแตกแยกกันพระเอศสาประการด้วยกัน ประการแรกคือคลุกคลีกันมากเกินไปประการที่สองก็คือเหินห่างกันมากเกินไปประการที่สขอในสิ่งที่ไม่ควรขอขอกันจนทร่าเพื่อนี่ก็เป็นเหตุให้ เ, เกิดการแตกแย ก, กมิตรดังนั้นเพื่อรักษาไมตรีจิตนิจภาพเอาไวอัตมาภาพก็ขอลาประชาชพยายามอ้อนวอนด้วยประการต่างๆ แต่พระโพธิศัตว์ก็ไม่ยอมแล้วก็ชี้แจงให้พระราชาเข้าใจถึงเหตุผลในการที่จะบริหารบ้านเมืองคือเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คืออย่าประกันเบาให้มองปัญหาต่างๆให้ท่องแท้ซึก่อนแม้แต่คนใกล้ชิดจะพูดจะจาอะไราก็ไม่ใช่ไปหลงเชื่อเขาในทันทีทันใดแล้วขอให้พระราชาดำรงอยู่ในธรรมผลสุดท้ายท่านก็หลบไปจริงๆท่านก็ไปจริงๆ อมาตย์ก็ได้รับตําแหน่งเหล่านั้นเหมือนเดิมรับตําแหน่งเหมือนเดิมก็ใช้ไอเหมือนเดิมอีกอะก็ขูรีดบิดเบีบ้ยราศฎรอยู่เหมือนเดิมจนในที่สุดก็ซักจะหวาดคือเสียวหลังเป็นกันว่ากลัวพระโพธิสัตว์จะกลับมาและตัวเองจะเสือ่อมราบก็คิดจะตัดรากถอนโคนแต่ก็ไม่รู้พระโพธิสัตว์ไปอยู่ที่ไหน เอ่ยก็ทําอย่างไรก็หาเรื่องสร้างเรื่องขึ้นอีกเรื่องหนึ่งบอกว่าเวลานี้พระราชากับพระเทวีกํบบาลังติดเอ้ไม่ใช่ปุโรหิตกับพระเทวีนั่นกํบบาลังติดต่อกันประวางแผนที่จะยึดครองราชสมบัติของพระองค์เวลานี้พระโพธิ์ที่ไปพาชกกำลับบงไปซ่องสมุขคนดูติดต่อกับพระเทวีพระราชาถามว่าติดต่อกันว่าอย่างไรเราบอกว่า ก็ขอให้พระเทวีนั้นฆ่าพระราชาแล้วจะให้ปริภาชกหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยมาครอบครองบ้านเมืองพระราชาไม่ได้ขอรูหลักฐานไอจดหมองจดหมายอะไรต่ออะไรตแล้วสอบถามว่าจะทำไงดีแก้ปัญหายัางไงดีในที่สุดพวกนี้ก็แนะนำบอกว่าต้องฆ่า ต้องฆ่าพระเทวีใช่เพื่อจะให้พระโพธิสัตย์ยกทัพมาแล้วก็จับฆ่าใช่ไหมอันนี้ก็ชักตาลายคือจากการปาะยอการส่งเสริมการพูดจาวันล้อมของพวกอมาตย์ทั้งห้าในที่สุดก็จับพระเทวีฆ่าคราวนี้ก็ลือระเบือไปในที่ต่างๆประชาชนที่เคารพนับถือพระโพธิสัตย์ก็คิดถึงพระโพธิสัต์ ภัยต่างๆก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมอกีกไอ้ข่าวลือเหล่านี้มันก็ไปถึงหูพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ยังคิดอนุเคราะห์ต่อพระราชาอยู่ว่าไอ้ตอนนี้มันหน้าสิวหน้าขวานแล้วคนอื่นที่จะช่วยได้นั้นคงไม่มีก็นอกจากเราตอนนั้นเองที่จะช่วยได้วันหนึ่งท่านเข้าไปพิกาาจารยาก็คือเที่ยวแบบบิณทบาทนั่นง ก็มีในสถานที่หนึ่งเขาแกงเนื้อลิงเขาแล้วก็ถวายเนื้อลิงแกท่านท่านฉันเนื้อลิงแล้วก็ขอหนังเขาขอหนังลิงคือคือว่าหนังวันนั้นแล้วก็หนังวันอื่นต่เอามาเอามาชำระล้างให้สะอาดหมดกลิ่นแล้วท่านก็เดินทางเข้ามาในเมืองตอนนั้นพระราชาทรงทราบ แล้วก็สลดพระไทยรู้สึกว่ามันชักจะพลาดท่าไปแล้วไอ้จิตใจที่คิดมุ่งร้ายต่อพระโพธิสัตว์มันก็อ่อนลงไปจึงชวนนมอาจทั้งห้าคนไปหาพระโพธิสัตว์ไปหาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์แม้คนตั้งหคนไปนั่งอยู่เนี่ยจะนั่งเฉยจะนั่งรูปเอ็นังลิงเฉยคือเอาท่านเอานังลิงพวกหัวมาอันหนึ่ง แล้วพาดบามอันหนึ่งแล้วนุ่งมาอผืนหนึ่งก็เรียกเรียกผืนนะผืนหนึ่งประาชาทชนถ า, ถามยังไงชวนคุยยังไงนั่งเฉยนั่งรูปหนังลิงใช่พระชาชาก็ถามว่านี่พระคุณเจ้านีนทำไมนั่งรูปหนังลิงยงชวนคุยก็ไม่คุยด้วยนั่งลิงนี่มันมีคุณอะไรนักหนาท่านบอกโอ้ยหนังลิงนี่มันมีคุณมาก มันช่วยอัตมาไม่ให้ร้อนแล้วมันช่วยป้องกันหนาวต้องการร้อนให้แก่อัตมาช่วยอุปถากาบำรุงอัตมาแล้วก็ช่วยทําความสะอาดร่างกายช่วยบย บ, บีบนวดเท้าให้อัตมาลิงนี่มีคุณ ม, มากแล้วพูดไปพูดมาพูดทํานองคลาสกับท่านข่าลิงเอาหนังมาทําประโยชน์อเพื่อเปิดช่องให้อ ม, มาตเหล่านั้นหัวรเราะเยาะแล้วจะ หาโอกาสสั่งสอนผูกระหม่อมตัวนั้นก็ได้ทางประกาศการบองนี้ดูสิเป็นนักบวชแล้วไปฆ่าลิงเอาหนังมาประดับตกแต่งร่างกายแสดงจิตใ จ, จเข้มโหดมากเลยพระโพธิสัตว์ก็เริ่มเรียกแต่ละคนเข้ามาคนแรกก็คือพวกเรียกว่าอาเ ห, าเหตุกะวาตถีคือถือว่าผลคือความสุขความทุกข์อะไรต่อไรนั้น บอกไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเหตุอะไรคนเราจะบริสุทธิ์เองเศร้ามองเองและในที่สุดคนเราก็จะบริสุทธิ์คือหลังจากผ่านการเกิดมานานพระโพธิษัตว์ถามว่าเธอมีความคิดเห็นอย่างนี้ใช่ไหมบอกก็ใช่แล้วบอกก็ถ้าถ้าอย่างนั้นการที่ฉันฆ่าลิงเอาหนังมาทําอย่างเงี้ยมันจะเป็นบาปตรงไหนล่ะในเมื่อคนมันบริสุทธิ์หมดจดด้วยสังสารวัตรด้วยสังสาระคือการท่องเที่ยวโดวยไม่ต้องทําอะไรเอง ว่าในสิ่งที่ฉันทำคือทั้งดีทั้งไม่ดีมันก็แสดงว่าฉันก็บริสุทธิ์แล้วคนที่มีคำสอนอย่างนี้มีควบ ม, มีความคิดเห็นอย่างนี้มันเหมาะสมที่จะไปหัวเราะเยาะคนอื่นเละก็ฉันไม่ได้ทาผิดอะไรในความเห็นของเธออันนี้ก็จานนคือมนุษย์จะพูดอย่างไรบ้างกันก็ในที่สุดก็เรียกไอคนอิสระวาทีคือถือว่า ความสุขความทุกข์หรือสิ่งต่างๆในโลกนี้เกิดขึ้นจากพระเจ้าดลบรรดาลพระเจ้าสร้างก็มาสอบถามว่าเธอมีความเห็นอย่างนี้ใช่ไหมแกก็บอกว่าใช่ถ้าใช่ก็ฉันก็ฆ่าลิงก็แสดงว่าไม่ได้บาปอะไรเพราะเป็นการฆ่าตามคําสั่งของพระเจ้าพระเจ้าสั่งให้ฉันฆ่านั้นก็ฆ่าแล้วพระเจ้าเองก็มือก็คงจะเปื้อนเลือดพร้มฆ่ากันเรื่อย ก็ไม่ควรแก่การหัวเราะ อ, อะไรเพราะงั้นเธอที่มีความเห็นอย่างนี้จึงไม่มีสิทธิจะหัวเรา ะ, ะ, ะอะไรฉันหัวเราะเยาะอะไรฉันและในที่สุดก็มาถึงคนปุเปกะตะวาตีคือถือว่าความสุขความทุกข์ทั้งหลายนี้มันเกิดจากอิทธิพลอดีตไม่จะอยู่ที่ปัจจุบันท่านก็มาพูดว่าอาการสมมติ ว, ว่าฆ่าลิงเนี่ยมันก็เป็นการฆ่าปัจจุบันเพราะนั้นจึงไม่จะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความสุขอะไร แต่ก็ไม่เป็นความผิดอะไรพวกเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะหัวเราะหัวเราะเยาะ อ, อะไรฉันเหมือนกันพอมาถึงพวกอุเฉตวะทีซึ่งปฏิเสธหมดทั้งบาปทั้งบุญทั้งอะไรนี่เพราะฉั้นการฆ่าลิงมันก็ต้องไม่มีบาปด้วยเมื่อไม่มีบาปก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรเกี่ยวกันหัวเราะเยาะพอมุกพอพวกขัตตะวาทีที่ถือว่าฆ่าได้ทุกอย่างยิ่งสบายใหญ่นะฮะโต้ตอบได้สบายใหญ เพราะว่าแกสอนแม้แต่ข่าพ่อแม่ก็ได้อันนี้ข่าลิงจะนับภาษาอะไรในสุดพวกอมตะเหล่านี้ก็จำนวนหมดแลเรื่องชาดกนี้ยาวเพราะงั้นเราจะหยุดไว้ในตอนนี้แล้วจะกลับไปมองย้อนข้างต้นอีกทีหนึ่งประการแรกก็คือเรื่องการย่ายีวาทะ ว่าท้าที่เราเรียกว่าปรับภาวะด้วยคากล่าวจ่วงจาบหรือว่าการแสดงอํานาจอิทธิพลของบุคคลทั้งหลายอย่างที่เคยเล่ามาในพุทธชัยมงคลเป็นต้นโดยท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเราในฐานะที่เป็นอนุตตรโภพิสธรรมสารถิคือเป็นสาริที่ฝึกคนอย่างยอดเยี่ยมไม่มีคนอื่นจะยิ่งไปกว่าคนที่คนอื่นก็ฝึกไม่ได้พระราชาปราบไม่ได้เช่นองค์คลิมานพระพุทธเจ้าปราบได้สัจจะนิครนซึ่ง กำแหงหานที่ท้าทายคนทุกทิศทางพระพุทธเจ้า ก, ก็ปราบได้อาเรกาก็ยักษ์ซึ่งมีภาพพวกมีอำนาจที่จะควา่างปลาไปทําลายล้างชีวิตคนสัตว์อื่นพระเจ้า ก, ก็ปราบได้ตลอดถึงคนที่ถือว่าเป็นนักปราบมีความรอบรู้มีความเที่ยงแท้ถาวรเช่นประกาพรหมพระพุทธเจ้า ก, ก็ปราบได้เพราะในวาทเหล่านี้หรือการกระทําเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งน่าอัศจรรย์ เวลาเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพิสูกุก็นําเรื่องเหล่านี้มามาคุยบานก็คุยมันก็นับหนึ่งจากเรื่องที่ปรารบในปัจจุบันแล้วก็คุยต่อตกันไปคุยต่อต่อกันไปในเรื่องเหล่าอื่นว่าเป็นพุท ธ, ธานุภาพนี่อจจจัศจรรย์ทรงกระทําในเรื่องที่คนอื่นก็ทําไม่ได้สําเร็จมันก็เป็นเหตุเป็นเหตุประการหนึ่งที่ทําให้พระพุทธเจ้าได้มีโอกาสปรารบเรื่องเหล่านั้น เราแสดงธรรมะให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ภิกษุพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปนี่ก็เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในสมัยพุทธกาลแล้วก็รู้สึกว่าเป็นธรรมเนียมหลักที่เราถือประพฤติปฏิบัติกันมาถึงปัจจุบันคือในที่ประชุมเรียกว่าธรรมศาลาหรือว่า ป, ปัจจุบันก็โบสถ์วิหารนั่นเองเราจะมีการปูราตอาสนะไว้สําหรับเจ้าวา่า รือประธานสงฆ์ในวัดนั้นปกติคนอื่นก็ก็ไม่นั่งแล้วก็ใครจะไม่กล้าหยิยบจะให้ความเคารพนี่ก็รูปแบบที่เราสร้างมาไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือในธรรมสภาในที่ประชุมใหญ่นั้นจะออกมาในรูปที่ปูราดอันสนะเอาไว้พิสูจน์ทั้งหลายไปนั่งไปทำกิจอะไรก็ตามจะไม่ย่างกลายไปปฏิบวณนั้น จะไม่มีใครไปนั่งทับหรือไปเหยียบหรือไปแสดงอาการอคคาระวะต่อสถานที่นั้นปุนนี้มันก็ออกมาในรูปของสังคมไทยแต่ทุกวันมาออกจะเพี้ยนเพียนไปพอสมควรในสมัยก่อนนั้นเราจะพบว่ายังลูกๆเนี่ยไม่จะจะไม่ขึ้นไปนอนบนเตียงของพ่อของแม่ที่พ่อแม่นั่งประจําเก้าอี้หรืออะไรที่ท่านนั่งประจําลูกๆจะไม่ไปนั่ง นี่มันก็ออกมาจากจากสังคมพุทเราเนี่ยคือว่าอาสนะของพระผู้ใหญ่เนี่ยของรุ่นครูบาอาจารย์ในลูกศิทธ์จะไม่นั่งแม้แต่วางของก็ไม่กล้าวางแล้วจะจะใช้มืออย่างเดียวนะฮะคือใช้อย่างอื่นกับกับอาสนะเหล่านี้ไม่ได้แต่จะหยิบก็ด้วยความเคารพยำเกรงถือว่าเป็นที่นั่งของครูบาอาจารย์แต่ท่านทั้งหลายนึกถึงเรื่อง พระพุทธรูปที่มีช้างกะลิงอยู่ก็เรียกพระปางปารีลายะกรนีเป็นเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งคือตอนพระอานนท์เสด็จไปฝ้าพระพุทธเจ้าที่เสด็จอยู่ในปา่าปารีลยากาเนี่ยไอ้ช้างนั้นแกมองพระอานนท์ว่ามีมันญาติทุกสิษย์หรือเปล่าถ้าพระอานนท์เกิดไปวางบริขารหรือเกิดไปนั่งทับที่พระพุทธเจ้าประทับไปช้างมันจะแทงแต่พระอานนท์ท่านก็ไม่ได้ทาอย่างนั้น ชาญก็เลยเกิดนับถือพระอานนท์ต่อไปนี่ก็คือรูปแบบสังคมไทยที่เราจําลองหลักการประพฤติปฏิบัติแต่การให้ความเคารพนับถือต่างๆที่ผู้ชายซึ่งบวชแล้วก็ศึกมากเป็นตัวสร้างสังคมขึ้นในสังคมไทยดางั้นถ้าเรามองที่ไปที่มาคงมีที่ไปที่มาจากพระพุทธศาสนาเป็นรูปแบบการประพฤติปฏิบัติระหว่างผู้น้อยผู้ใหญ่ที่จะมีความเอื้อเฟื้อ ให้ความเคารพต่อกา ร, รมีที่สูงที่ตำ่ำซึ่งลักษณะเหล่านี้จนถึงกระแม้จะปิดจะเปิดประตูหน้าต่างนะอย่างเราอยู่ร่วมกับอุปชาอาจารย์เนี่ยก็ไม่ใช่สนุกนะอยู่กับอุปชาเจอาจารย์เนี่ยอาตมาไม่เคยอยู่ร่วมเลยอยู่คนละหลังกันตลอด เ, ออเป็นการปฏิบัติตัวลำบากมากคือเราจะเปิดหน้าต่างทีต้องไปขออนุญาตท่านต้องขออนุญาต จะปิดประตูจะเปิดหน้าต่างจะทําอะไรก็ตามแม้จะกวาดขยะก็ต้องขออนุญาตท่านจะก่อนนี้คือเป็นเรียกว่าสามีจี ก, ก ร, รมคือมัน ญ, ญาติที่ควรประพฤติเป็นการให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่แม้เราจะบริการท่านก็ตามนี่ก็คือหลักในการการปฏิบัติซึ่งเราก็ออกมาภายในสังคมไทยเพราะฉะนั้นผู้ดีแบบไทยๆจึงเป็นผู้ดีแบบพุทธเราก็มีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งอีกต่างหาก ที่ปัญหาตอนนี้ที่เรากำลังปรารบกันอยู่ก็คือสันตาปาปาจะเข้าเฝ้าสมเด็จสังคราชเนี่ยันกรบาดหลวงมาหาจะมาเข้ามากันสองคนเป็นบาดหลวงคนหนะามาบอกว่าปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องคิดกันให้ได้ก็คือว่าคนเรามันอยู่คนละวัฒนธรรมนะแล้วเอาช่างภาพมาตั้งเจ็ดสิบคนเราเสียวส้บอกจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าเวลาบาดหลวงจะยื่นมือสัมผัส บางทีก็แล้วก็นาบแก้มกันนะเราไม่ไม่มีแบบนั้นเรามันไม่มีวัฒนธรรมแบบนั้นจะจับมือก็ไม่ได้เขาไหว้เราก็รับไม่ได้ว่าจะทํำยังไงภาพนี้ไม่ให้ออกนี่เป็นภาพที่ต้องคิดได้หนักนะฮะเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่อย่าลืมว่าเราจะเสียในสายตาพระรังเอ๊สังคาราชศระมุขสงฆ์ไทยนี่สันตปาปาขอสัมผัสมือก็ไม่ยอมสัมผัสหลวงพระรังก็ถือว่าเสียฮะแต่เราเถ้าจับมือ เสียในสายตาพุทธถ้าไม่จับมือจะเสียในสายตาพรัรังใช่ไหมมันมีแต่ลบกับลบเสมอตัวกระขาดทุนนัะนั่นเองไม่มีได้กํำไรเลยนะฮะเป็นเรื่องใหญ่มากนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเลยหามาก็สั่งบัดหลวงบอกคุณไปคุยกับพวกคุณให้ดีต้องวางแผนแก้ตรงนี้ให้ได้เรื่องนิดเดียวต่นนั้นเองฮนะว่ามันทํำยังไงเพราะว่าธรรมเนียมเราถ้าเราเข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยเราจะต้องเข้าไปด้วยความเคารพแต่นี้มันก็ใหญ่ตัวใหญ่กระเท่ากันเอาแหละ ต่างฝ่ายตองก็เป็นประมุกด้วยกันเราก็ไม่ว่าอะไรเทว่าทําอย่างไรจึงไม่ให้มีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งเสียสถานะคือรักษาสถานะทั้งสองฝ่ายาไว้ยากมากนะหยุดตรงนี้นิดเดียวตะนะ่นนั้นเองไม่กี่นาทีฮะแต่ว่ามันพร้อมที่จะลบเลยแล้วพร้อมที่จะบวกพว้อเลยต้องปรึกษากันหลายเที่ยวไม่รู้จะหาทางออกอยังไงคือเขาจะยอมขนาดไหนเราเราก็พบได้ขนาดนี้ว่าจับมือไม่ได้ไหวม่ายก็ไม่รับแต่อาสนะนั่งเราก็ให้เสมอการสมเด็จพระสังฆราชประทรับที่ประแทน แล้วก็สันตปาท่านก็จะให้ที่ประทับเสมอกันอีตัอี ต, อ น, อตอนเข้าพบกันเนี่ยมันจะทําังไงยังคิดไม่ออกอยู่เนี่ยเราจะทําัไงดีถ้าเอาวัฒนธรรมขรังเราตายเลยถ้าวัฒ น, ธร ร, ออนธรรมไทยใช่ไหมถ้าวัฒนธรรมไทยสันตป า, ปาเขาอาจจะรู้สึกเสียสถานะก็ได้มันเป็นจุดที่เปราะบางมากเลยแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไง ก็กำลังจะ <c oughs> ลองปรึกษากันดูนะว่าเราจะพบกันได้ตรงไหนพบยากนะดูแล้วคล้ๆจะเรื่องเล่นๆแต่ไม่เรื่องใหญ่มากก็ช่างภาพมาตั้งเจ็ดสิบคนกระจายภาพทั่วประเทศอนะถ้าเราเกิดจับมือดีไปแต่ชาวพูดเห็นโอยสังกรลลาไทยแย่มากนะถ้าเราไม่จับมือผูารางเห็นโอสังกัลลไทยแย่มากนะเห็นไหมจับมือ คนไทยเห็นแย่มากชาวพุทธนะฮะไม่ใช่ไทยเราชาวพุทธทั้งหมดไม่ว่าญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอะไรเห็นโอสังกัลลไทยนี่แย่มากแต่พอไม่จับมือเวรังโอสังกัลลาไทยแย่มากมันไม่ไหวายเลยข้าวระหว่างเขาควายตอเนี้ยอยู่ระหว่างเขาควายแล้วทํายากนะนี่เพราะอะไรเพราะเราคนละวัฒนธรรมกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ด้วยปฏิบัติตัวระบากมาก หลักเหล่านี้ก็เป็นหลักซึ่งโยงให้ท่านทั้งหลายดูนะฮะมันออกมาอย่างเงี้ยออกมาที่จริงมันก็ออกมาจากโครงสร้างเดิมในพระพุทธศาสนาคือจะให้ความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ที่เหมาะสมแก่ลักษณะทางวัฒนธรรมพระภิกษุทั้งหลายก็จัดปุราตอานสนาเอาไว้เมื่อพระเจ้าเสด็จไปเนี่ย ต, ต้องหยุดอันนี้เป็นมรญาต่างหนเงกัน เวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปพระนั่งเป็นพันเนีต้องเงียบไม่ใช่ของเงียบเสียงหน่อยพี่น้องทั้งหลายตะโกน ล, ลั่นเพิ่มขึ้นเงียบเสียงหน่อยแล้วตะโกนดังมากกว่าเพื่อนเลยเดี๋ยวนี้ไม่จะทำไงดีนะขอบอกให้เพื่อนเงียบนะแต่ตัวเองพูดดังกว่าเพื่อนอีกเลยดังกันใหญ่แต่ว่ารูปแบบจริงๆนั้นพอพระพุทธเจ้าเสด็จทุกคนเงียบคุมตัวเองได้ทุกคนเงียบไม่รู้ไม่ว่าจะสักเท่าไหร่ก็ตามพระพุทธเจ้าจะเป็นคนเริ่มพูดเอง เริ่มตั้งขึ้นมาเองตั้งเรื่องขึ้นมาใหม่เองแล้วก็จะสอบถามภิกษุเหล่านั้นเมื่อภิกษุกราบทูลอย่างในกรณีนี้พอกราบทูลพระเจ้าจะประทับนิ่งเรื่องนี้มันก็เคยเกิดมาแล้วนี่เป็นลักษณะจิตวิทยาในการสอนนะคือกระตุ้นกระตุ้นให้เกิดความสนใจว่าเออไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวนี่เรามาคุยเรื่องอาจารย์ชาตินี้แสดงว่าชาติก่อนมีพอไอความรู้สึกร่วม ที่จะต้องการฟังอดีตรู้วิญญากับเรื่องเทศเทศเรื่องอดีตให้ฟังแล้วลักษณะของพระโพธิสัตว์ลักษณะของพระโพธิสัตว์ท่านทั้งหลายจะพบว่าแม้จะเกิดเป็นพราหมณ์ลูกโทนคนเดียวของพ่อแม่มีทรัพย์สมบัติถึง80โกดก็รวยหมู่ลานว่าหน้าเที่ยวทัศนาจรทั่วโลกนะสมัยนั้นไม่มีเครื่องบินอย่างพวกเศรษฐีไทยสมัยนีย้มีเงินมีทองเยอะแยะก็ทัศนาจรกันไปแต่ว่าท่านมอง อีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งรทรัพย์สมบัตินี้มันก็ขึ้นอยู่กับทัศนะนะฮะการมองทรัพย์สมบัติของคนระดับพระโพธิสัทอย่างที่เคยเล่าตั้งแต่เป็นทุเมตตาบทมาท่านไม่เคยให้ความสําคัญเก่ยวเงินทองมากมายยังไงถ้าไม่เคยสนใจเลยเรื่องเกี่ยวเงินกับทองเนี่ยคือถือว่ามันไม่ใช่สมบัติที่แท้ จ, จริงในในที่สุดก็ออกบวชออกบวชเป็นปริพายชกปริพาชกเป็นนักบวชประเภทนุ่งขาวห่มขาวนะฮะเป็นนักบวชประเภทพิเศษ คือชาวพุทเราเนี่ยถือว่าติทยาปริวาสคือคือคือนักบวชอื่นมาขอบวชไม่ใช่เราให้บวชง่ายๆนะฮะพูดในชักเล่นตัวเหมือนกันคือคือคนมาขอบวชเนี่ยต้องเอาทดสอบตัวเองดูสี่เดือนอย่างฝรั่งที่มาบวชคราวแรกนะฮะพวกเมื่อสักยีสิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยเราให้อยู่ตั้งปีก็ อ, อาจารย์บัวที่ที่องค์อยู่ทุกทุกวันเนี่ยอยู่ตั้งปีกว่าไม่ยอมให้บวชให้ดู ดูความประพฤติให้อยู่ไปอย่างนั้นเองคือเราจะไม่บวชง่ายๆเราไม่ได้โลภไม่ต้องการโลภค น, นอะไรเพราะงั้นแต่ว่าปริภาชกเนี่ยเรายกเวน้นพิเศษพวกนี้ไม่ต้องอยู่เพราะอะไรเขาเรียกว่าเป็นกิริยาวาทีคือชื่อกฎของกรรมเหมือนกับพระพุทธศาสนาเป็นกิริยาวาทีดังนั้นถ้าปริภาชกแล้วก็บวชเลยอยากจะบวชก็บวชมาเลยไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันต่างกันนิดเดียวแต่นั้นเอง ต่างกันในเชิงเป้าหมายคือว่าท่านอยู่เป้าหมายต่ำกว่าระดับสมาธินะระดับสมาธิระดับอรูปฌานแต่ของพุทธก็เลยไปเหนือโลกก็ท่านั้นเองมันก็มาต่อกันได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะทางเดินข้างต้นมันก็มาสายเดียวกันปริพาชกจึงเป็นพวกสมาธิทินะฮะทีนีเออ้เราดูถึงออลักษณะทางสังคมในสมัยนั้นมันก็นักบวชก็ไม่ได้มากมายหลาพระราชาแต่เห็นว่านักบวชคนใดเป็นที่เคารพนับถือ ก็จะนิมนต์เชื้อเชิญให้มาอยู่ใกล้ๆส่วนมากจะให้อยู่ในอุทยานจะมีอุทยานหลวงนล้วจะให้อยู่ในที่นั้นจะให้การอุปถักต์บำรุงเราไปสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กันก็แหล่งความรู้ที่จะศึกษามันก็ไมนเหมือนสมัยนี้นะฮะเรียนได้ทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทวรัศน์ทั้งวิทยุทั้งเอกสารเยอะแยะแต่สมัยนั้นมันก็ต้องข้าไปหาท่านเหล่านี้แต่วันในขณะเดียวกันเราลองมึนึกดูไอ้สภาพของพระราชาเนี่ยมันก็เป็นกลางๆอยู่ แต่ว่าใ น, นขณะเดียวกันอํามาตย์หคนป้อนข้อมูลไปอีกด้านปริพาโ่วคนเดียวบรวิสาทคนเดียวก็ป้อนไปอีกด้านหนึ่ง แ, แรงประทะนี่ไอ้ามันมากกว่าแล้วพวกนี้มันประหลาะเก่งมันใกล้ชิดเก่งมันเข้าใกล้เก่งก็ทําให้ความหักเหในด้านจิตใจมันก็ออกไปคือมีความคิดความโน้มเอียงทงั้งๆที่ท่านคบหาคนสองฝ่ายนะฮะแต่ฝ่ายหนึ่งมันมีกำลังมากกว่า พลังการต่อสู้ภายในจิตจึงถูกรับข้อมูลจากอีกฝ่ายอมตมากกว่าฝ่ายพระโพธิสัตว์ทีนี้ส่วนเหล่านี้เราเราเห็นได้จากพฤติกรรมที่ท่านแสดงออกในตอนหลังที่เล่ามาแล้วนะฮะแล้วก็ยังจะเล่าต่อไปเพราะมาันเรื่องมันยาวมาพอมาถึงตอนนี้การทำงาน ของพวกอัมมาตเนี่ยมันพื้นฐานโดยสําคัญว่าพื้นฐานความคิดนะฮะท่านจะเห็นว่าความคิดของคนทั้งห้าคนนี้ความคิดเป็นวิจารณิติหมดเลยเป็นวิจารณิติไม่มีบาปไม่มีบุญเป็นแนววัตถุนิยมคือผลประโยชน์ความสุขความทุกข์อะไรต่ไรของคนก็เอากันในปัจจุบันเนีน่ยจะรีบตักตวงอะไรก็เอากันในปัจจุบนันได้หมดเลแล้วประเภทแรกเหตุกะวะทีที่ถือว่าไม่มีเหตุความสุขความทุกข์ไม่มีเหตุนั้นคนเราจะได้สุขได้ทุกข์มันก็ขึ้นอยู่กับ กัธรรมชาติอ่ะคือว่าเดินเเรื่อย ๆ, ๆไปมาเองอ่ะบางเอินก็นี่มีลักษณะบางเอิ่นความสุขก็บางเอินความทุกข์ก็บางเอิญแล้วก็ว่างๆเกิดระยะสักพักหนึ่งแล้วในที่สุดมันก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์เองแกคงจะเรียนจากพวกนี้มันมันมันจะเรียนจากธรรมชาตินะฮะจะเรียนจากธรรมชาติแล้วจะพูดสิ่งมีชีวิตโตโดยเอาสิ่งไม่มีชีวิตเป็นหลักในการเรียนแล้ก็มองในลักษณะก้อนหินเนี่มันลอยๆยมา ตาแม่น้ำเนี่ยมันก็กลิ้งถูกกูดสีกันเรื่อยแล้วมันกลมมันเองมันกลมมันเองนานๆนะฮะมันกลมเองก็นึกว่าคนก็คงจะเป็นอย่างนั้นก็สารนิทานเอาไปเลยพวกอเหตุกะวาทีปฏิเสธเทตถือว่าสังสารุจิคนเราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์เมื่อผ่านการเวียนว่ายตายเกิดระยะหนึ่งตกลงว่าตัวเองไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรก็อะไรที่เป็นประโยชน์แก ต, ตัวเองก็พร้อมที่จะทำโดยไม่คํานึงถึงบาปนะฮะไม่คํานึงถึงบาปพูกอิสระวาทีไอ้นี่แปลกนะฮะ ที่จริงเป็นครั้งแรกที่ามาเจอไอ้พระเจ้าสร้างโลกเนี่ยเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกที่ว่ามีแนวความเห็นนี้อยู่สมัยนั้นนะฮะถือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องพระพรหมนะฮะถ้าเรื่องพระพรหมมีเยอะแต่วันนี้พูดพระเจ้าเลยผู้พระเจ้าผู้สร้างโลกคือผู้เป็นใหญ่อิสระหรือผู้เป็นใหญ่มีตัวสร้างโลกถ้าเราแปลเป็นไทยเป็นเป็นไทยในปัจจุบันก็ถือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งลง ม, มา เพราะงั้นอะไรก็ตามคือการกระทำพฤติกรรมความเคลื่อนไหวทั้งหมดของคนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการบันดาลของพระเจ้าคนที่จะรับผิดชอบจึงไม่ใช่คนนะครับพระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบเองพระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งผิดผลต่างๆนั่นก็เป็นเรื่องของพระเจ้าที่เขาสร้างมาก็เรียกว่าอิสระวาชีอิสระกรณวาชีวาเะว่ามีผู้กระทําที่ยิ่งใหญ่อยู่คนหนึ่งคือพระเจ้าพระสร้างสรรพสิ่งเหล่านั้น เพราะ ง, งั้นพวกนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบคือถือว่าการการที่เขามอบหมายให้แก่วินิจฉัยคดีก็เป็นวงการของพระเจ้าเพราะ ง, งั้นอาการที่แกจะไปขูดรีดไครก็เป็นการวงการของพระเจ้าพระเจ้าสั่งให้แกทําทําในานามของพระเจ้าจึงไม่บาปไม่บาปอะไรแล้วก็แนวความคิดนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันมันไม่ได้หายไปจากโลกอย่างที่อามาเกล่าฟังว่าแนวความคิดทางศาสนาปรัญญาหรืออะไรก็ตามของมนุษย์ตั้งแต่ปฐมบัณฑ์มาเลย ก็รศ า, ส, าสนายุคปฐมบัณนนะ่ะมันแปรสภาพแต่นั้นเองมันไม่เคยหายไม่เคยหายไปจากโลกเลยยังเหมือนเดิมยังแต่มันจะอยู่ในรูปไหนแต่นั้นเองอย่างในกรณีเนี่ยคือถ้ากระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วจะไม่บาปเราดูอิรั ก, กอิรานแะนวความคิดแบบเดิมนะอิรักอิรานตอนนี้โควินี่ก็แจกกุญแจสวรรค์ให้เด็กๆให้รบแกไม่ต้องกลัวไอ้หนูตายแล้วก็มีกุญแจไขประตูสวรรค์แกไปอยู่กับพระเจ้า ตพรางั้นในพวนี้พบกุญแจคนระดอกเลยรบกันสนุกใหญ่เลยรบกันสามสี่ปีแล้วมันไม่กลับาปนะฮะมันไม่มีบาปเพราะว่าเป็นพระทําตามพระบัญชาของพระเจ้าทําตามพระบัญชาพระเจ้าที่ทไอความคิดเห็นแบบนี้อันตรายมากเลยนะเราเด็กเอเล็กเราจะเห็นภาพข่าวต่างๆจะเห็นว่าเด็กเล็กเท่านั้นเองเอามารบสิบสี่ส้าปีแบกบปืนกันไม่ค่อยไหวแล้วจะมารบ ก, กันแล้วก็ยิงกี่ทีรกก็ได้กี่ทีจะยิงเพื่อนได้ไหมบางทียังไม่ทันยิงใครได้เพื่อนยิงเจอก่อนแล แต่ว่าเขามีความเชื่อมั่นว่าเขาจะไปอยู่ร่วมกับพระเจ้าเพราะเป็นการปฏิบัติตามองค์การของพระเจ้าแต่บางที่มันขำที่สุดก็คือพระเจ้าองค์เดียวกันนะฮะและนิกายเดียวกันอิรักก็ซีอิหร่านก็ซีอะพระเจ้าก็คืออันเลาะเหมือนกันนะแล้วก็ชี้หน้าอีกฝ่ายหนึ่งว่าทรยศต่อพระเจ้าพระเจ้าสั่งให้ฆ่าเหมือนกันก็ไม่รู้จะใครสั่งใครมันยุ่งกันไปหมดเลยในท่สุดก็ทํากันไปนี่ก็คือความเชื่อนี่มันเป็นพื้นฐานที่อันตราย ส่วนปุเพกะตะวัทีนั้นแท้ที่จริงแล้วเราจะพบว่าตรงนี้ไม่ถึงกับเพียงมากเท่าไหร่นะฮะเพราะเราเองเราก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งมาจากอดีตแต่ไม่ได้รับรองเฉพาะอดีตเพราะว่ามันมีตัวแปร ى. ของของเรานั้นอดีตนั้นส่งผลมาในรูปอะไรมาในรูปของคติที่เกิดมาในเรื่องของรูปร่างนะมาในเรื่องของออยุคสมัยกาลเทศะ แล้วก็สุขภาพพลาณาใหม่อะไรต่ออะไรนี่นะฮะเรียกว่าคติสมบัติอุปธิสมบัติกาลสมบัตินะแล้วก็แต่ว่ามันมีตัวแปรอยู่ตัวหนึ่งคือประโยชการกระทําของเราในปัจจุบันการกระทําของเราในปัจจุบันมันเป็นตัวแปรได้เป็นตัวแปรชะลออดีตกรรมที่มันมันมันไม่ดีได้ด้วยนะแล้วก็ไปบวกกับอดีตกรรมที่ดีคือทําดีในปัจจุบันแล้วก็เสริมความดีในอดีต กะทำให้ดีเท่วีคูณขึ้นมาได้แต่ไม่ใช่เอาอะไรก็โยนแมะไปที่อดีตหมดศาสนาพุทธไม่สอนอย่างนั้นนะฮะศาสนาพุทธไม่สอนอย่างนั้นอย่างในกรณีของโรคพระพุทธเจ้าก็ทรงจำแนกโรคไว้สามโรคโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายนะฮนี่ถามหมอดูก็ได้โรคบางอย่างนอนหน่อยเดียวมก็หายแล้วโรคบางอย่างจะต้องรักษาจริงหายถ้าไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างจะรักษาหรือไม่รักษาก็ไม่หาย แต่นี่หมายความมาโรคที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของอดีตกรรมแต่โรคประเภทที่สองนั้นต้องแก้ด้วยปัจจุบันกรรมนะฮะปัจจุบันกรรมเนจะแก้ได้คือรักษาหายได้ส่วนโรคที่สนั้นเป็นอิทธิพลของอดีตกรรมเพราะฉะนั้นเรายอมรับปัจจุบันกรรมสองส่วนอดีตกรรมหนึ่งส่วนในกรณีของโรคไม่ใช่ปฏิเสธแต่พวกนี้โยนแม็ข้างโยนแม็ไปสู่อดีตหมดเลยเพราะงั้น เวลาจะกระทำอะไรในปัจจุบันเลยก็ไม่กลายเป็นบาปอะไรไม่กลายเป็นบาปอะไรเพราะผลความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่แก่ก็เป็นเรื่องของอดีตทั้งหมดก็สบายดีเหมือนกันนะฮะไม่ต้องรับผิดชอบอะไระพวกที่สี่ก็คืออุเฉตวาทีพวกนี้ขาดหมดเลยขาดศูนย์หมดไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีพ่อไม่มีแม่พวกนี้แสบมากนะฮะอเหตุกะวารีกับอุเฉตะกะวารีนี่เป็นความเห็นที่แสบมาก แล้วก็อันตรายมากด้วยเพราะอะไรเพราะจ่ากแกจะไม่ยอมรับอะไรเลยนะฮะไม่ยอมรับอะไรเลยผลความดีความชั่วไม่ยอมรับหมดเลยเป็นวัตถุนิยมจัดเป็นวัตถุนิยมจัดพระพุทธเจ้าทรงสัตว์โดยเฉพาะอเหตุกะวาทีนะฮะอเหตุกะวาทีพวกแรกน ะ, ะพวกแรกมันก็อยู่กลุ่มของทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิสามน ะ, ะกิริยาทิฏฐิอเหตุกะทิฏฐินัตถิกะทิฏฐินัตถิกะทิฏฐิก็คืออุเฉตทิฏฐิมันก็หมดสองอย่าง 3. ความเห็นนี้ส อ, อความเห็นข้อที่1กับความเห็นข้อที่ 4. แรงที่สุดความเห็นข้อที่4คือถือว่าไม่มีเหตุกับถือว่าขาดศูนย์เนี่ยเป็นความเห็นที่แรงที่สุดส่วนกลุ่ม 1. น, นั้นกตะวาตีคาตะวาตีเป็นความเห็นแนววัตถุจัดนะฮะแล้วก็ไม่มีพื้นฐานทางกความกตัญญูอะไรอยู่เลย คือถ้าเพื่อสนองตอบความต้องการของตนจะฆ่าใครก็ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ยังได้เลยฆ่าลูกยังได้เลยเพราะงั้นเออท่านจะเห็นว่าความเห็นของอัมมาตเหล่านี้มันไปสอดแทรกอยู่ความเห็นของมเหสีนะเพราะครุกครีกรนันเนะ่ยมาเหสีเกิดเห็นคล้อยตามเกิดเห็นคล้อยตามเพราะน้ําหนักทวงเนี่ยแตการครุกครีพระดาบทกับปริพาชคกมเหสีคงจะครุกครีน้อยนะคงจะได้รับความแนะนําสั่งสอนน้อยแล้วท่านก็ได้รับอิทธิพลมาจาก พวกนักบวชเหล่านี้มากไอ้พวกมิจฉาพวกอมาตทั้งห้าคนมากท่านก็มีความเห็นคล้อยตามไปเลยก็ถือว่าไม่บาปอะไรพร ะ, พระราชาเลยนอนหลับได้ในวันหลังนี่ก็คือคือจุดซึ่งเราจะเห็นว่าดุลดุลดุลทางจิตความสมดุลทางจิตเนี่ย คนเราบางบางทีมมันก็ลักษณะ3วันดี4วันร้ายนะฮะผีซ้ำไอ้ะฮะผีข้าผีออกผีข้าผีออกคือบางทีมันก็ดีเพราะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมดีได้อิทธิพลเชื้อดีๆมานะจิตใจก็สบายแต่ถึงมีไอ้ความบีบขั้นทางอารมณ์ความเก็บกดทางไอ้สภาพแวดล้อมต่างๆมันก็เกิดได้รับเชื้อที่ไม่ดีเข้ามาจิตใจของบุคคลก็สับสนเพราะงั้นพระราชาเองรับเชื้อทั้งสองด้าน เราเชื่อทั้งสองด้านทั้งด้านดีทั้งด้านไม่ดีแต่เราดูพลังแล้วด้านดีน้อยกว่าแล้วเพราะก็นานๆก็ไปพบกันที่อุทยานนาทีหนึ่งแต่พวกนี้แกครุกคลีอยู่ตลอดก็การคลุกคลีเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นความโน้มเอียงต่างๆจึงหนักมาในทางนี้จิตจึงเสียดุลเสียดุลในการรับไอพลังด้านดําเข้ามาม า, มากไอแนวความคิดเหล่านี้พอออกมาในรูปธรรมในมาเองยังชอบลทัทธิเต่านะฮะก็คิดเป็นรูปธรรมคิดได้สวยมาก ที่ทำเป็นปลาสองตัวตัวขาวกับตัวดําที่จริงก็แบบพุทธนะฮะแต่พุทธเราพูดเป็นนามธรรมาการหะธรรมกับสุกธรรมการหะธรรมก็คือทำำําดําสุกธรรมก็คือทําขาวแต่ว่ายีนก็ทํามาเป็นรูปธรรมออกมาเป็นรูปปลาสองตัวคือเป็นดุนกันที่หันหางเข้าหากันไม่ใช่หันหันควายกันนะคือหางของตัวหนึ่งไปอยู่ด้านหัวตัวหนึ่งแล้วก็หัวตัวหนึ่งมาอยู่ด้านหางอีกตัวหนึ่งเป็นรูปปลา ในเวลานี้ในเมืองไทยออกจะแพร่หลายนะอยู่ในวงรู้สึกจะ8ปดเหลี่ยบนี่มันเป็ น, เ ป, นเป็นการแสดงถึงพลังที่ทวงดุลกันระหว่างกุศลกับอกุศลอะไรก็มีกำลังมากกจะครอบงมจิตถ้าตัวดำมีแรงสูงก็คุมได้สบายาตัวขาวแรงสูงก็คุมได้สบายแต่ถ้ายังเป็นทวงดุลกันอย่างนี้คนเราก็สามวันดีสีวันร้ายนะสวันดีสวันร้ายบางทีก็ลักษณะผีข้าวผีองทีก็ดีเหลือเกิน บางทีก็เข้าวัดฟังธรรมจําศีลไปได้ตั้งเป็นเดือนๆนะฮะเสร็จแล้วก็ไปนั่งไหว้เจ้าแม่ทรงแล้วถอกถูกหล อ, อกก็ต้มอีกแกงโง่ ô, ยังไม่หายเพราะอะไรเพราะว่าดุลของจิตมันเสียดุลอยู่เรื่อยไปได้รับอิทธิพลเจ้าแม่อะไรเข้ามานิดๆแน่นอนก็ไปหาเจ้าแม่บางทีก็เอาที่ดินไปจำนองจำนําเพื่อช่วยสร้างบ้านให้เจ้าแม่ได้อยู่วิมานแล้วตัวเองก็ขายบ้านมาอยู่กระท็อกก็นี่ก็คือจิตที่เสียดุล มันเป็นพฤติกรรมซ้าซ้อนนะครับพฤติกรรมในโลกมนุษย์ที่จริงเป็นพฤติกรรมที่ซ้าซ้อนมาตลอดเลยมนุษย์เราไม่ได้เดินไม่ได้เดินในทางใหม่แต่ว่าเดินที่ทางเก่าซึ่งท่านได้เคยเดินกันมาแล้วทางนั้นพระชาเองก็มีลักษณะอย่างนั้นคือท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รับทั้งสองทางซึ่งก็เหมือนกับคนเราในสมัยนี้เราก็รับทั้งสองทางนะฮะ บ, บางทีไปถึงบ้าน บรรยากาศดีๆจิตใจก็สบายออกจากวัดนั่งกรรมาฐานฟังธรรมไปถึงบ้านจิตใจสบายถ้าบรรยากาศมันรับแต่ไม่แน่ไปถึงบ้านบางทีก็ดีก็เมียตะ โ, โกนถามมาไปไหนมาทไมม า, ม า, มาสายจะเกินจากจย ง, งดงินแล้วก็ไปอีกเรื่องหนึ่งอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับไอ้การการรับนะฮะสิ่งแวดล้อมจึงมีอิทธิพลมากเลยว่าจะ บางทีเรารักษาความดีได้ตลอดเพราะว่าปัจจัยมันมีลักษณะอำนวยให้แต่บางทีมันไม่อำนวยให้อ่ะมันมีตัวกระแทกกระทันเข้ามาแล้วก็เกิดเป็นตัวแปรทำให้ความสับสนให้เกิดขึ้นภายในใจทีนี้าการวินิจฉยัยคดีนั้นท่านตั้งหลายจะพบว่ามีบ่อยเหลือเกินเน่ยเรื่องชาดกต่างๆในว่าพระโพธิสัตว์จะเข้าไปวินิจฉยัยค ด, ดีแต่บางทีมันก็ตอนนั้นที่จริงท่านไม่มีอำนาจอะไรนะ มีอำนาจอะไรก็เป็นเพียงแต่ไปพูดคุยกันท่านั้นเองเมื่อทั้งสองฝ่ายก็ยอมจำน้นด้วยเหตุผลนะแล้วก็เขาก็ไปมีประนอมกันเองเราจะถือเป็นการวินิจฉัยก็ไม่เชิงนะฮะแต่ว่ า, าพูดจากกันหาทําความเข้าใจกันเมื่อฝ่ายหนึ่งเกิดความละอายว่าเราผิดไปก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงท่างก็ทําให้แต่ว่าการกระทําความดีก็เป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลายนี้ก็อีกและก็สูตรเดิมคือทุกยุคทุกสมัย ใครสามารถประสิทธิ์ประสัดความยุติธรรมความเป็นธรรมให้ได้ถนนทั้งสายก็พุ่งเข้าหาคนนั้นเพราะงั้นประชาชนในยุคในสมัยนั้นก็มีความมั่นใจอยู่ที่พระโพธิศัตว์ว่าพระโพธิศัตวสามารถประสิทธิ์ประสัดความยุติธรรมให้ได้เราก็ลองมองนึกดูสภาพสังคมในปัจจุบันที่คดีอาญาต่างๆที่ไม่ขึ้นสู่โรงสู่ศาลเท่าไหร่นั้นแท้จริงคือมันแจ้งความมันก็เท่านั้นเนี่ยแจ้งความมันก็ตอนนั้นไม่ได้มีผลอะไรขึ้นมาก็เลยไม่แจ้งแต่ไอ้คดีที่ไม่แจ้งน่ะมีแจ้ บางทีเพราะละอายบางทีไม่มีเวลาบางทีถือว่าก็เท่านั้นเองคดีเหล่านี้ก็เลยไม่มีตัวเลขให้เรารู้ว่ามันมีมากมีน้อยขนาดไหนสภาพสังคมสมัยโบราณมันก็เป็นเช่นเดียวกันคือสมัยที่มาตรแกวินิจฉัยคดีอยู่นั้นมีคดีเยะที่คนไม่เอายอมขึ้นขึ้นโรงศารพอขึ้นไปมันก็มีแต่ขาดทุนเท่านั้นเองแต่พอเห็นคนที่สามารถประสิทธิประสานความยุติธรรมให้ได้คนเหล่านี้ก็หันเข้าหาพระโพธิสัตว์ นี่ก็เป็นพฤติกรรมทางมวลชนซึ่งก็เป็นอยู่ทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกันก็จะทอนให้เห็นว่าแม้ในยุคนี้ปัจจุบันนี้ใครก็ตามที่สามารถให้ความอบอุ่นให้ความเชื่อมั่นให้ความศรัทธาแก่บุคคลทั้งหลายได้คนก็จะเข้าหาบุคคลนั้นประั้น เ, เกียรติคุณของสัตว์ปรุษทั้งหลายจึงปรากฏได้ในที่ไกลพระเจ้าทรงแสดงว่าเหมือนการปรากฏของภูเขาหิมาลัยนะฮะมองจากที่ไกลก็เห็น นี้ก็เป็นตัวอย่างนิทานบุคคลตอนหนึ่งในโพชิชาดกพอดีก็หมดเวลาแล้วเรื่องนี้ต้องยังมีต่อก็สมรับวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไพยบูร์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี